ก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติปัฏฐาน4ี่นี้เห็นว่าควรทำความเข้าใจทั่วๆวไปเกี่ยวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานก่อนสติในฐานะอัปมาทธรรมสติ แปลกันง่ายๆว่าความระลึกได้เมื่อแปลอย่างนี้ทำให้นึกเพ่งความหมายเป็นในแง่ของความจำซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านหนึ่งแต่อาจไม่เต็มตามความหมายหลักที่เป็นจุดมุ่งสำคัญก็ได้เพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธสตินอกจากหมายถึงความไม่ลืมซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติข้างต้นที่ว่าความระลึกได้แล้วยังหมายถึงความไม่เผลอไม่เลนเล่อ ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยด้วยพูดง่ายๆว่าใจอยู่ไม่ใจหายไม่ใจลอยความหมายของสติในแง่ปฏิเสธเหล่านี้เล่งไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติว่าความระมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ความมีใจพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับสิ่งที่ทำภาวะที่พร้อมอยู่เสมอ ในอาการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องและตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรซึ่งทำให้เกิดเป็นการดูแลรักษาคุ้มครองไว้ได้การทาหน้าที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูที่คอยระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอและคอยกำกับการโดยปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้และคอยกันห้ามคนที่ไม่ควรเข้า ไม่ให้เข้าไปคนที่ไม่ควรออกไม่ให้ออกไปสติจึงเป็นธรรมสำคัญในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตนเองทั้งที่จะไม่ให้หลงเพลินไปตามความชั่วและที่จะไม่ให้ความชั่วเล็ดลอดเข้าไปในจิตใจได้พูดง่ายๆว่าที่จะเตือนตนในการทาความดีและไม่เปิดโอกาสแก่ความชั่ว พุทธธรรมเน้นความสำคัญของสติเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้นการดำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยู่เสมอนั้นมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทขอให้เทียบความหมายที่นิยมใช้กันในภาษาอังกฤษสติใช้กันว่า mindfulness attentiveness หรือ detached watching ส่วนอั ป, ปมาทะมีคำนิยมใช้หลายคำคือ watchfulness, earnestness, diligence, zeal, carefulness หรือความหมายในทางปฏิเสธว่า non neglect of mindfulness, non negligence อั ป, ปมาทะนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรม มีความหมายหลักเหมือนเป็นคำจำกัดความว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติความหมายของอัปปมาทะที่ว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสตินั้นขยายความว่าการระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความเจริญก้าวหน้าตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทำและต้องไม่ทำ ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทาการด้วยความจริงจังและพยายามเดินรถหน้าอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าอั ป, ปมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในแง่ความสำคัญอั ป, ปมาทะจัดเป็นองค์ประกอบภายในเช่นเดียวกับโยนิสโสมนสิการคู่กับหลักกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอก พุทธพจน์แสดงความสำคัญของอัปปมาทะนี้บางทีซ้ำกับโยนิสโสมนสิการเหตุผลก็คือทำทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันแต่ต่างแง่กันโยนิสโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญาเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กระทําการส่วนอัปปมาทะเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตคือด้านสมาธิเป็นตัวควบคุม และเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์นั้นและก้าวหน้าต่อไปเสมอ